ข้อความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รมพระพธยญาณได้เสนอการบรรลุพระญาณสามของพระพุทธเจ้ามาถึงพระญาณข้อสุดท้ายคืออาสวัคายานทรงแสดงให้เห็นว่าในการสัสรุนั้นได้ผ่านขั้นตอนของการเจริญอานาปานสติ แล้วก็บรรลุรูปประชาญทั้งสี่เมื่อถึงจตุตรฌานนั่นเองก็ทำให้สภาพของประไทรเนี่ยเข้าถึงความสงบพร้อมที่จะน้อมไปเพ ร, รู้ความจริงในเรื่องต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือสามเรื่องใหญ่เรื่องความเป็นมาในอ ด, ดีต เรงความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่งในปัจจุบันแล้วก็ในอดีตตลอดถึงในอนาคตแล้วก็ปัญหาใหญ่ก็คือปัญหาที่คนต้องหมุ น, มนวนอยู่ในสังสารวัฏเป็นว่ายตายเกิดหาที่สิ้นสุดไม่ได้และในที่สุดก็สรงได้คำตอบการเปลี่ยนว่ายตายเกิดนั้นทรงรู้ด้วยปุเพนวัสารทุยานคือ สงลึกชาติก่อนได้ความเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของบุคคลแม้เป็นทีละขณะก็สืบเนื่องมาจากกรรมของบุคคลซึ่งไม่เหมือนกันกรรมจึงเป็นตัวจำแนกแบ่งแยกทุกลำดับขั้นตอนของชีวิตให้คนเราไม่เหมือนกันถึงแม้จะเป็นคนเหมือนกันแต่ก็ไม่เหมือนกันสามารถ เหมือนกันได้อย่างเดียวนะคือตอนที่ทํากิเลสให้หมดไปจับใจที่เรียกว่าเป็นขีณาสพแต่ส่วนรูปร่างก็ยังคงแตกต่างกันส่วนคุณสมบัติพิเศษก็คงแตกต่างกันมีความยิง่งมีความหย่อนกันดยู่พราะในความเป็นอาสวัขยานี่ยปริยานที่ทําอาสวะ ค, คือกิเลสให้หมดไปสิ้นไปนั่น ที่จริงก็คือการสัตรู้อริยสัตตีนั่นเองแปลว่าเป็นพูดเป็นการพูดผลรวมคือหลังจากพยานทั้งสามในอริยสัตตีได้เกิดขึ้นสมบูรณ์ในตรงนั้นนะ่ะถ้าเรียกเฉพาะอริยสัตตีก็อาจจะเรียกว่ากัตยานแปลว่ารู้ว่าทุกที่ควรกําหนดรู้ตนได้กําหนดรู้แล้ว สมมุติไทยที่ควรละตนในละแล้วนี่นิโรดนิโรธควรทาให้แจ้งตนได้ทาให้แจ้งแล้วนี่มากมากควรเจริญแล้วก็ตนก็ได้เจริญแล้วแต่ว่าในที่นี้เป็นการแสดงแกปุถิราชกุมารวานก็ไม่อธิบายพิสดารในเรื่องของอริยสัจจะทรงปอธิบายพิสดาลกับท่านปัญโยคีซึ่งเป็นนักบท ในท ร, รมาจากกรรมฐนสูตรแต่เฉพาะในที่นี้เราก็มาทำความรู้จักเออที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าเวลานี้ถ้าเรามองโดยโครงสร้างความคิดอ่านของฝรัง่งซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยเป็นระบบอะไรทอะไร แต่ต่อมาเมื่อหันมาศึกษาพระพุทธศาสนาเขาไม่ได้มองในฐานะเป็นศาสนาะเขามองเป็นฐานะทางปรัชญาทางวิชาการผลก็ก็นำไปใช้เป็นประโยชน์ในการจัดกระบวนของความคิดลําดับขั้นตอนในการทํางานต่างๆเช่นว่าจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งก็ศึกษาถึงสถานภาพของสิ่งเหล่า น, นั้น แล้วก็รายละเอียดที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงด้วยความเป็นเหตุปัจจัยของสิ่งเหล่านั้นเล้วก็เสร็จแล้วก็มาศึกษาสืบสาวถึงที่ไปที่มาจากอดีตการนานไกลจนมาถึงปัจจุบันขณะแล้วกำหนดเป็นเป้าที่จะดำเนินไปเพื่อให้บรรลุผลตามที่ตนต้องการ ไปจากนั้นก็กําหนดเป็นหลักการวิธีการในการปฏิบัติซึ่งดูแล้วมันก็เป็นโครงสร้างคล้ายๆกับโครงสร้างใหม่โดยพื้นฐานที่เราอ่อนแอในด้านความคิดแล้วก็ยอมสยบกับพวกฝรั่งไปทั้งหมดบอกฝรั่งว่ามันก็ยอมสยบ้าไปโดยไม่ได้คิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยความคิดอย่างนี้น มันก็คือหลักการของอริยสัจทั้งสี่ประการสถานภาพสาภาพของปัญหาต่างๆตัวนี้จะเรียกอะไรก็ตามนะก็คือสถานภาพของสิ่งนั้นๆมันเป็นผลซึ่งเกิดมาจากเหตุแต่แต่เราต้องการประโยชน์จากมันหรือต้องการจะขจัดทำลายมัน แต่เพราะมันเป็นผลมันประจัดทำลายอะไรไม่ได้มันก็ต้องศึกษาศึกษาถึงสาเหตุที่ไปที่มาของมันแล้วเราก็เรียกรว ม, รวมง่ายๆว่าสมุทยัยส่วนเป้าหมายนั้นก็คือนิโรธมันเป็นป้านิโรธมันเป็นผลคล้ายๆกับการกินอาหารแล้วก็อิ่มการเรียนหนังสือแล้วก็รู้การรักษาโรคแล้วก็หายนะฮะคือว่าเป็นผลเฉยๆ แดี๋วตัวการใหญ่เนี่ยคือหลักการวิธีการที่เหมาะสมสอดคล้องแก่บกรณีของสภาปัญหาสาเหตุของปัญหาและจะทําให้บุคคลผู้ปฏิบัติเนี่ยหลุดรอดจากสาเหตุของปัญหาเหล่านั้นได้ไปเข้าสู่ความไม่มีปัญหาซึ่งก็หมายความว่าปัญหาก็ต้องหมดไปด้วยเพราะในความเป็นอริยสัจสี่ก็แสดงสาเหตุของปัญหาไว้ที่ตัณหาสาม จึงเราก็คงจะเจาะรายละเอียดในตอนได้ว่าในธรรมจักรแล้วก็ตัวผลที่เราต้องการก็คือการปราศจากทุกนิโรธจึงแปลว่าปราศจากสิ่งเสียดแทงจึงลอ ง, ลองสังเกตนะฮะว่าเวลาทรงแสดงในตอนแรกของธรรมจักรวัตนาสูตรทรงใชง้คำามานิพาน ก็ส่งไม่ได้ไม่ได้ใช้คำนิโรดนิโรดเป็นคําในช่วงหลังช่วงหลังก็ใช้นิโรดแต่ว่าเวลาเรียกโดยโครงสร้างของอริยสัจเนี่ยเพราะว่าทุกข์คือสิ่งที่เสียแทงเกี่ยการเสียดแทงนิโรดมันตรงการข้ามกับทุกข์ก็เคยปรัชจากสิ่งเสียดแทงแต่ว่าเทียบ ทุกข์เหมือนกับลูกสอนที่เป็นเหตุให้เกิดความเจ็บปวดสมุทัยก็เหมือนกับลูกสรที่ถูกถอนออกไปแล้วก็ความเจ็บปวดก็หายไปตอนในที่นี้เพื่นสังเกตว่าก็ทรงแสดงสองช่วงช่วงแรกก็คือช่วงของญาณที่เกิดขึ้นในรัชสีแต่ว่าใช้คล้ายๆกับใช้อยู่ตอนเดียว ท, ท, ท, ทั้งทั้งที่ โดยภาคสนามแล้วเนี่ยมันผ่านขั้นตอนครบทั้งสิบสองขั้นคือรู้ว่านี่ทุกนี่เหตุเกิดแห่งทุกนี่ความดับทุกนี่ข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งความดับทุกแล้วที่จริงเ น, นี่รู้กิจที่ควรทําและรู้ว่าได้ทําแล้วแต่ว่าตอนนี้ไปเรียกอานสวะขยานก็ไม่เรียกอย่างนั้นแต่ในที่สุดก็รู้อานสวะเหตุเกิดอานสวะความดับอานสวะและข้อปฏิบัติได้ถึงเรื่องความดับอานสวะ พวกอาสวะเนี่ยที่เป็นที่จริงก็เป็นชื่อของกิเลสส่วนใหญ่เนี่ยเราจะพบว่าเป็นเป็นการเรียกกิเลสสามกลุ่มใหญ่ๆก็เรียกว่ากามาสวะภวาสวะวิชาสวะกามาสวะอาสวะคือกามได้แก่ความรู้สึกกำนัดรักใคร่เพลิดเพลินชื่นชมยินดีที่เก็บสะสมหมักหมม อ, อยู่ภายในจิตใจของบุคคล ตลอดการยาวนานปรัณสวะก็แปลว่าเครื่องหมักดองอุภาสะวะพราสสวะอะไรต่อไรเครื่องเครื่องหมักดองทั้งหลายเนี่ยอาจจะดองผลไม้อาจจะดองดอกไม้ จ, จะดองใบไม้เปลือกไม้อะไรต่ออะไรต่างๆันก็ดองมันก็สะสมหมักหมมทับถมกันอยู่ผลจะมีความสลับซับซ้อนในความเป็นการปสะวะมีการเหนียวนึกตรึกนึกถึงอารมณ์ที่เป็นนาฎต แล้วก็เพลิดเพลินกับปัจจุบันตลอดถึงหมายมั่นมุ่งมั่นที่จะสัมผัสในอนาคตแต่ตอนนั้นมันทําเมื่อฟูขึ้นมาแล้วพอฟูขึ้นตามปกติเขาก็ไม่เดียกว่าอาสวะเร็กกว่าตันหาบ้างเรียกว่านิวรบ้างก็แล้วแต่จะเด็กเป็นพวกเดียวกันนั่นเองในการเรียกการคนละตอนขั้นช่วงที่ทําปฏิกิริยาต่อจิตแต่ความเข้มข้นระดับอาสวะเนี่ยมันค่อนข้างสูงเพียงแต่ว่ามันอยู่ข้างล่าง คือไม่ถึงก็ออกมาข้างนอกตามจิตใจคุณมัวเร้หมองพอพอคุณมัวเร้าหมองเนี่ยมันก็เรียกชื่ออย่างอื่นนั้นเอ ง, งก็ตัวนั้นแหละแต่ก็เรียกชื่ออย่างอื่นก็ใกล้ๆกับคนคนหนึ่งอยู่ที่บ้านอาจจะเรียกว่าผู้หญิงอาจจะเรียกว่าสามีลูกอาจจะเรียกว่าพ่อพ่ออาจจะเรียกว่าลูกแม่อาจจะเรียกว่าลูกน้องอาจจะเรียกว่าพี่นะ แต่พอออกไปถึงไปปล้นเขาเจ้าทรัพย์ก็เรียกว่าโจร้าหน้นาที่ก็เรียกว่าโจรชาวบ้านก็นโูก็เรียกว่าโจรก็คนคนเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าทําหน้าที่แตกต่างกันแล้วเขาก็เรียกไปตามกรรมที่เขาได้กระทําแล้วก็ทำหน้าที่ของสามีเขาจึงเรียกว่าสามีพระทำหน้าที่ของพ่อจึงเรียกว่าพ่อประทําหน้าที่ของลูกจึงเรียกว่าลูกไอโจรที่จริงไม่ใช่หน้าที่หรอกครับพอปฏิบัติการเป็นโจร มันก็เลยก็ถูกเรียกว่าโจรตามไปโปรแกรมมัสะวาพวกกิเลสประเภทโลภะประเภทไขว้เข้ามาแต่ว่าอย่าลืมว่ากิเลสประเภทเหล่านี้มันในภาคสนามจริงๆแล้วก็ไม่ใช่เป็นกามอย่างเดียวคือในขณะที่เราใคร่เราปรารถนาเนี่ยแดีวถ้าได้ตามที่ใคร่ที่ปรารถนามันก็ยึดมันก็เป็นอุปาทาน แล้วก็ยึดแล้วมันก็ตั้งตัวเป็นเจ้าข้าเจ้าของมันก็เป็นอุปาทานเป็นภาวะตัหาแล้วก็พร้อมที่จะโกรธคนอื่นซึ่งขัดขวางความใคร่ของตัวเองหรือว่าไปทำลายสิ่งที่ตัวเองใคร่หรือว่าทำให้ตัวเองได้น้อยไปแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปได้ตลอด ว่าในความพอใจเนี่ยมันพร้อมที่จะไม่พอใจถ้าไม่เป็นไปตามที่ตนพอใจแล้วก็ในความพอใจนั่นเองความพอใจพร้อมจะเพิ่มขึ้นถ้าหากว่าเป็นไปตามที่ตนพอใจแต่พอเพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยมันตัวมึงจะตอบสนองมันก็ตอบสนองไม่เต็มตามที่ตนปรารถนาะ รอจิตใจที่มากโดยตนาราคะเนี่ยคือยังไงยังไงมันก็ตอบสนองไม่ได้คือให้เต็มให้อิ่มไม่ได้อย่างที่ทรงแสดงไว้ว่านัตถิตาหาสมานดีแม่น้ำเสมอ้วยตันหาไม่มีเพราะฉะนั้นไอ้กิเลสประเภทเหล่านี้มันก็ครอบงำจิตใจของสัตว์โลกระดับก้าวมาวาจารภูมิอยู่ทั้งนั้นเพียงแต่ว่า อาการถ่งนใช้เรียกเวลาออกมาทำปฏิกิริยาต่อจิตจนจิตสาจิ ต, จ ต, จตดิน้นก็อาจจะเรียกว่าการมาตัญหาการมสังกปะการมาปริลาหะกามาปริยสนาก็แล้วแต่มีชื่อเรียกเยอะแต่สรุปว่าอาการของมันนั่นแหละที่มันฟูขึ้นทำปฏิกิริยาต่อจิต รา ว, วะนั้นเป็นความรู้สึกมีรู้สึกเป็นรู้สึกได้รู้สึกเป็นเจ้าข้าวเจ้าของรู้สึกว่าเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างโน้นแล้วเราสังเกตนะฮะว่าตรงนี้ค่อนข้างจะติดยึดติดอยู่เยอะแล้วก็เป็นที่น่าสังเกตถ้าเราเทียบยุคสมยัยยุคนี้เขาเรียกว่ายุคไม่มีชนชั้นไม่มีศักดิน า, ไ ม, ม า, งงานไม่มีอย่างนั้นไม่มีอย่างโน้นอย่างนี้อะไรแต่ไเนี่ย แต่ว่ามันจริงๆแล้วมันหลอกลวงตัวเองแล้วก็หลอกลวงคนอื่นเพราะว่าสัตว์โลกมันประกอบด้วยตันหะไอตัวพระว่าตันหาเนี่ยมันเสริมอาหังการของตัวเองเสริมความเป็นของตัวเองให้รู้สึกว่าตัวเป็นตัวใหญ่ตัวเหนือกว่าคนอื่นแม้แต่พวกเอ็จอทั้งหลายที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นเสรีชนเนี่ย แล้วก็ชอบประเด็จ ก, การนะฮะชอบสั่งการชอบชี้นิ้วชอบบงการชอบอาปรุงคนอื่นชอบสั่งสอนคนอื่นอนุศาสตร์รัฐบาลอะไรต่ไรว่าไปเรื่อยๆคือเขาเก่งอยู่คนเดียวเองฮะเขาไม่รู้ว่านี่คืออัตราที่มันใหญ่ ม, หมาหึมามากแล้วก็แต่ต้องไม่ได้แต่ในขนาดเดียวกันเรียกร้องให้คนอื่นยอมจำนวนยอมสยบขอบความคิดเห็นของตัวเองคล้ายๆกับเป็นประกาศสิทธิ์จากสวงสวรรค์ เป็นกา ร, รเผด็จการทางด้านจิตวิญญาณแต่มนุษย์ก็จับตากไม่ได้เนื้ว่าโอ้ท่านเก่งท่านเป็นน g o โอท่านเป็นองค์กรอิสระองค์กรประชาชนที่ช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ประชาชนแต่ถ้าประชาชนลองถามเนี่ยว่าเราได้อะไรแต่เขาเนี่ยได้แน่เราก็ตอบไม่ค่ยได้หรอก เพราะาอาการเหล่านี้มันก็สืบเนื่องมาจากภาวาสวะาสวะคือความเป็นความเป็นความมีพบต่างๆสภาวะต่างๆเนี่ยตลอดถึงรู้สึกยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเป็นอย่างนั้นตัวเป็นอย่างนี้ตัวเป็นอย่างนั้นแล้วก็คนอื่นก็ต้องฟังให้เราสังเกตนะฮะคนเหล่านี้จะตั้งตัวเองใหญ่กันนั้นแหละ แล้วใครคิดอะไรขึ้นมาถึงท่านชะค้านได้ทางนั้นนะเาท่านเก่งอยู่คนเดียวก็ เ, เป็นเรื่องที่แปลกและสังคมก็ยอมสยบ ก, ก็บคนเราเนี่ยยอมสยบแต่ยกย่องเชิดชูนามาสรุดดีกันนั่นก็คืออะไรก็คือว่ามนุษย์มงฝืนกระแสะธรรมชาติไม่ได้แต่ว่ามนุษย์เป็นสัตว์โลกที่มีมายามีเจ้าเล่ห์มีเสแสร้งมีโอ้อวด กำนองคล้ายๆกับตัวเองไม่ต้องการอะไรแต่ว่าที่จริงก็ต้องการมากกว่านั้นเพราะลักษณะของภาวะสวะเนี <IS> ่มันจะมีท <iPhones suffer. S 1> ั้งต้องการเป็นแล้วก็ต้องการไม่เป็นคืออะไรก็ตามที่ตัวเองไม่ชอบเนี่ยตัวก็ไม่ต้องการเป็นไม่ต้องการได้ไม่ต้องการมีอะไรที่ตัวเองชอบรู้สึกว่าตัวเองใหญ่เสริมมัตตาตัวเองขึ้นเลยมากก็ตัวเองต้องการได้ต้องการมีต้องการเป็น ใจิตใจของเขาก็จะหมกมุ่นอยู่ในลักษณะอย่างนั้นแล้วก็ตามปกติแล้วก็จะเครียดนะฮะเพราะว่าจิตมันไม่ค่อยยอมสยบไม่ยอมไม่ค่อยยอมสงบอยู่ด้วยเหตุผลและความดีเทลาไหเดี๋ยวจากนั้นก็เป็นอาวิชาสวาคือโคษมันเลยนะฮะเกิดมาความบาโคตอะไรก็ไปอยู่ที่ที่ที่ก้นบึง้งคืออาวิชา ก ว, วิชามันเป็นรากง่าวของสับพพอคกเลสอคุศสนทั้งปวงนี่มันก็อยู่มาจากตรง น, นี้ก็เป็นความไม่รู้ที่อย่างหนึ่งก็คือรู้ไม่ตลอดคือรู้แล้วกิเลสมันดเนี่ยก็ถือว่าไม่รู้นะเพราะว่าในความรู้ตามความหมายของพระพุทธศาสนามันต้องข่าจาักความไม่รู้ ทีนี้ถ้ารู้แล้วไปเพิ่มมาหังการเพิ่มมาบางการขึ้นเพิ่มใหญ่เพิ่มโตเช่นว่าเป็นปัญญาเอกแล้วก็เพิ่มอัตราตัวตนขึ้นมาเออฉันถูกฉันเท่านั้นเข้าใจฉันถ้าท่า น, นเก่งจะท่า น, นดีลองดูตัวอย่างนะแม้แต่เรื่องเศรษฐกิจเนี่ยถ้าลองศึกษาทบทวนมาตั้งแต่นโนเศรษฐกิจของสุโอบมาเอาไม่ต้องเอาไกลนะห่าสนาับสมัยคุณชาติชาย ลองดูด้วยคนที่เข้าแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจเนี่ยมีความรู้ป eh, ัญญาตรีปัญญาเออปปชปวสหรือเปล่าเปล่างั้นนะฮะพวกด็อกเตอร์ด็อกเตอร์เกือบจะทั้งหมดเลยทำไปแล้วเวลาเนี้ยพวกด็อกเตอร์นะนั้นก็มาเฉียงกันเดี๋ยวที่หน้าจอโทรทัศน์เนก็เวลาพูดถึงอีกฝ่ายหนึ่งก็ฝ่ายหนึ่งก็ไม่ค่อยถูกทุกทีแต่ฝ่ายตัวเองก็ถูกแล้วก็จะเกิด ความดึงดื้อถือรันหลงตัวเองเคารพตัวเองแล้วคนเหล่านี้ก็ถ้าไปอยู่ในที่จะต้องรับผิดชอบต่อองค์กรต่อสถาบันต่อประเทศชาติคนอื่นก็ความพรอยเพระพดร้อนเพราะ ร, ะรู้ไม่จริงของท่านเลยแล้วก็ลองลองดูว่าแนววิชาเนี่ยมนถึงจุดหนึ่งเขาจะไม่ฟังคนอื่นเข้าใจว่าตัวเองถูกต้องหมดแล้ว วนแนวแนวยิ่งมืดม่งแปลกนะยิ่งไม่ฟังคนอื่นยิ่งไม่ฟังใครนะอีด้ามีวาสวัจังโมคะมันยังอย่างนี้เท่านั้นถูกต้องอย่างอื่นไม่ถูกต้องนะพวกทิฏฐิทั้งหลายพวกวิชาทิฏฐิทั้งหลาย น, นั้นเป็นความมืดบอดในด้นเหตุผลสติปัญญาและท่านฟังใครที่ไหนแต่ก็ไปของท่านว่าขนาดว่าคนบางพวกไปพุทธเจ้ายัางปวดไม่ได้อะไรกัน ไ, ไมันจะธรรมดานะะ เพร า, าิชาจึงเป็นรากง่าของสัพเพกิเลสแต่มันก็อยู่ตรงกันข้ามกับวิชาและอยู่ตรงกันข้ามกับนิโรธการทําลายอาวิชาก็จึงซึ่งเป็นเหมือนความมืดนะฮะเราเห็นว่าทุกตอนในทรงชช้คําว่าวิชาเกิดขึ้นอวิชาดับไปแสงสว่างเกิดขึ้นความมืดหายไปก็ทรงใายอย่างนั้น แสงสว่างเกิดขึ้นความมืดหายไปนะอุปมาณนะฮะเทียบเคียงให้ดูแต่ว่าตัวเนื้อหารจริงๆก็คือว่ า, าวิชาดับไปแสงสว่างเกิดขึ้นแต่ถามอะไรก่อนละ่ะเกิดแสงสว่างต้องเกิดก่อนนะความมืดจึงจะดับแต่ดูแล้วเนี่ยมันมีความต่อเนื่องถึงกันดังนั้นในช่วงสุดท้ายจึงส่งแสดงว่าเมื่อเรารู้เห็นอยู่อย่างนี้ จิตก็พ้นจากกามาสวะภวาสวะปิชาสวะครั้นจิตพ้นวิเศษแล้วก็เกิดญาณอย่างรู้ว่าจิตพ้นแล้วเรารู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจันทร์จบแล้วกิจที่ต้องทําได้ทําเสร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทําเพื่อความหลุดพ้นไปอย่างนี้ไม่ได้มีอีกเรวก็รับสั่งว่าราชกุมารนี้เป็นวิชาที่สามที่เราได้บรรลุแล้วในยามปลายแห่งระจย วิชาถูกทำลายแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วความมืดถูกทำลายแล้วความสว่างเกิดขึ้นแทนแล้วเช่นเดียวกับที่เกิดแก่บุคคลผู้ไม่ประมาทมีเพียรเผาบาปมีตนส่งไปแล้วแลวอยู่โดยควรข้อความก็จะซ้ำอยู่อย่างนี้นะผลตัวการใหญ่สําคัญเนี่ยศา ส, สนาพุทธมันก็เน้นที่ตัวสภาวะของจิตคือว่าความในขณะนั้นน่ยจิตมันถูกปรุงด้วยอะไร ปรุงโดยธรรมะฝ่ายกุศลก็จะไปกันเป็นแถวคือแสดงกุศลสถานะกุศลของตัวเองแล้วก็ทําลายไปตรงนข้ามกับตนเหมือนกับด้านสว่างนะครับพอด้านสว่างเกิดแล้วอะไรมันก็ตามมาเยอะแยะไปหมดที่เกี่ยวสืบเนื่องกับแสงสว่างพอด้านมืดเกิดก็อะไรก็จะตามมาเป็นแถวที่เกี่ยวกับด้านมืดปิจัยของเราจึงเป็นสนามที่ต่อสู้กันระหว่างความมืดกับแสงสว่าง พอความมืดมันเกิดโมหะมันก็เกิดโทสะก็เกิดโลภะก็เกิดพอสามความสว่างเกิดนะความไม่โลภก็เกิดความไม่กลัวก็เกิดความไม่หลงก็เกิดปัญญาก็เกิดความไม่สุดก็เกิดความไม่ตายก็เราก็เกิดตามกันไปเป็นแถวเป็นความต่อเนื่องถึงกันเพราะหลักการตรงนี้เราก็กลายเป็นโครงสร้างที่จะนําไปศึกษาวิเคราะห์ตรวจสอบทิ้งทั้งหลาย อะไรก็ตามก็ศึกษาหนึ่งปัญหาว่ามาจากว่าคืออะไรสองสาเหตุของปัญหาศึกษาดูสาวยลึกว่ามาจากไหนแล้วก็ความไม่มีปัญหาก็เป็นเป้านะเพื่อเพื่ออะไรแล้วก็หลักการวิธีการในการขจัดในการแก้ปัญหาว่าโดยวิธีการอย่างไรใส่หลักการและวิธีการอย่างไร เป็นโครงสร้างหลักที่เรานำไปใช้กับเรื่องต่างๆนี้ได้ตลอดเพียงแต่ว่าเราใช้เป็นหรือไม่คือสิ่งตั้งหลายในโลกถ้าเราไม่ไม่ไม่วุ่นวายแล้วก็ไม่สับสนมันมีอยู่แล้วทั้งนั้นเพียงแต่ว่าเราเข้าใจโดยเนื้อหาสาระเขาหรือไม่แตถ่ถ้าเราเข้าใจโดยเนื้อหาสาระเนี่ย เราก็จับหลักตรงนั้นเนี่ยเป็นแกนในการดำเนินงานปัญครงสร้างของอริยสัตโครงสร้างการสารุปอริรยสัตว์ันเป็นโครงสร้างที่สุดยอดแล้วก็ใช้ได้ทุกเรื่องไม่ว่าจะเศรษฐกิจสังคมการเมืองปัญหาเรื่องส่วนตัวปัญหาเรื่องครอบครัวปัญหาเรื่องการเรียนการสอนปนัญขาปัญหาการบริหารการจัดการทั้งหมดเนี่ยโดยโดยล้อโครงสร้างของอริรยสัต์ทั้งสี่ประการ แล้วก็จะบรรลุปเป้าหมายสูงสุดก็คือการดับสาเหตุแห่งปัญหาสาเหตุแห่งสารพันปัญหาด้วยซ้ำไปแต่ว่าการทำความรู้ความเข้าใจจำเป็นจะต้องอาศัยการศึกษาเรียนรู้ทั้งโดยอัฏฐะแล้วก็โดยพยัญชนะโดยเฉพาะคืออัฏฐะคือเนื้อหาได้อย่างชัดเจนต้องฟังเท่าไหร่ ในร่มพระพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง้องามไปบูรณนธรรมจึงมีแต่ท่านผู้ฟังทลายโดยทั่วกันสวัสดี